เอาหน้าอย่าซีเรียกเรื่องช่วยตัวเองกุ <S 1> <S 1> หลาบกำลังเดือดร้อนเพราะเจ้านี้รังควานไม่เลิก ในยามยากเช่นนี้เธอมองไม่เห็นทางอื่นนอกจากมีสารพระพรหมเป็นที่พึ่งท่านขาลูกช้างศรัทธานับถือท่านมาตลอดไม่เคยขออะไรเลยแต่คราวนี้ขอได้โปรดช่วยลูกช้างสักครั้งเถิดโปรดดนบรันรดาลให้ลูกช้างถูกลอตเตอรี่ด้วยเถิดหลายวันผ่านไป จากอาทิตย์เป็นเดือนแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดกลางดึกคืนวันหนึ่งกุหลาบก็ดันโดนไปยังสารพระพรหมอีกตัดพ้อด้วยความสิ้นหวังว่าทำไมท่านไม่ให้โอกาสลูกช้างเลยท่านใดนั้นกุหลาบก็ได้ยินเสียงดังมาจากสารพระพรหมว่า เจ้าก็ให้โอกาสข้าบ้างสิทำไมเจ้าไม่ซื้อลอตเตอรี่สักทีก่อนที่เราจะขอความช่วยเหลือจากใครสิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้คือเคยถามตัวเองไหมว่าเราช่วยตัวเองเต็มที่แล้วหรือยัง